พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20กรกฎาคม2560ในมีชื่อเรื่องว่าภาวนาจะดีต้องมีศีลบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันที่ย0สิบ กรกฎาคมพุทธศักราช 2,560 แต่วันวานวันก่อนก็หลวงพ่อได้พาพาลูกหลานไปทำธุระคารวะครูบาอาจารย์แต่วันนี้รู้สึกว่าว่างแล้วก็มีอากาศเย็นช่ำฝนตกทั้งวันแต่ฝนไม่ตกไม่แรงแต่ว่าอากาศเย็นหลวงพ่อเห็นว่าพระ ลูกหลานทุกคนก็คงจะว่างวันนี้จึงไดน้นิมนต์มาไปชมเพื่อทำความเข้าใจพอเราพวกพระลูกหลานที่บวชใหม่ควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวินยัยแต่คราวก่อนหลวงพ่อก็ได้ให้พระได้อ่านวินยัยนาวควาตให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา แต่มันอ่านยังไม่จบแต่คราวนี้ก็คิดว่ า, า, น, านานเกินไปพวกเราก็บวชเข้ามาใหม่ควรจะดเรียนรู้เกี่ยวกับวินยัยตั้งแต่เบื้องต้นพรานั้งวันนี้หลวงพ่อจึงได้เรียกประชมุมนิมนต์มาประชุมเพื่อจะได้อ่านวินัยให้จบเพราะว่าวินัยเป็นเรื่องเบื้องต้น ส ำ, สำหรับกฎกติกาการอยู่ด้วยกันตั้งแต่เบื้องต้นแต่เมื่อเราเป็นสมมเนนทั้งก็ให้สมาทานสินสิบแล้วนี่สมาทานสินสิบซะก่อนคือสมมเนนอย่างนั้นก็ได้มายติจะจตักกรรมวาจารับรองเป็นพระก็เป็นสิน227อแล้วเนี่ย และเมื่อเป็นมีสินสองยี่บเจ็ดมันก็มากน ะ, ะพวกเราจะาได้สินอย่างเดียวแต่ไม่รู้จัก เ, เหมือนกับเราว่าเจ้าต้องรักษาวัวนะสองอยี่สิบเจ็ดตัว เ, เท่านั้นลหละเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าวัวสองอยี่สิบเจ็ดตัวเราไม่รู้ว่าไเพราะเราไม่ได้ ไม่ได้เห็นไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้วัว227ตัวนั้นเป็นเป็นยังไงในล่กษณะทา่ว่าเราได้เรียนได้ศึกษาเราจะรู้จากวัว227ตัวนะั้นสีดาสีแดงสีแดงสีขาวตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่เราก็จะได้ศึกษาให้เข้าใจให้เรียนรู้จากนั้นเราก็จะได้ทักษาฝูงวัว น, นั้น ให้อยู่ในเกรออไม่ให้กระจัดกระจายนี่แหละอันนี้ก็อนศีลก็ลักษณะนั้นเหมือนกันถ้าเรามีแต่ว่าเป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้จักศีลข้อไหนต่อข้อไหนเราไม่รู้เราจะรักษาศีลได้อย่างไรเพราะนั้นควรจะให้อ่านให้ฝังว่าศีลของพระเนี่ยสอง้อยเ็ข้อเนี่ยเป็นยังไงนะคราบสาวเรา อยู่เป็นพระสงฆ์ตลอดไปก็ได้ดีถ้าว่าอยู่ไม่ตลอดเราก็จะได้รู้พรา อ, อทุกวันนี้ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเรืย่ยงของเรื่องพระสงฆ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นบางทีก็มันก็ปิดจริงเป็นส่วนมากนะที่เขาเอาลงข่าวแต่ตามไม่จริงก็ถึงยังไงก็ตามเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือบริษัทของพระพุทธเจ้าสําหรับเป็นฆราวาสญาติโยมก็คือผู้สนับส น, นุนส่วนพระสงฆ์ก็กเป็นผู้อยู่วงในเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาแล้วนําไปประพฤติธปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของเป็นบุคคลตัวอย่างของพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้ายกย่องอันนี้คือสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นบุตรของพุทธะ เพราะนั้นเราก็ต้องเข้ามาจุดจุดนี้แล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงเหตุและผลให้ผู้ที่ยังไม่ได้บวชพุทมีมีภาระมากคือกระวะญาติโยมพร้อมที่จะชี้แจงเหตุผลให้ฟังเรื่องราวมันเป็นยังไงกระพร้อมพวกเราพร้อมที่จะพุทธ ป, ปฏิบัติ ด, ด้วยให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยนั้นด้วยไม่ให้ออกนอกลูกนอกทาง อันนก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ในกรอบศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเครื่องพระวินัยของพระพุทธเจ้า เ, เมื่อพระสงฆ์บวชครั้งแรกท่านก็ไม่มีวินัยนะเนพราะว่าพระสงฆ์บวชเข้ามาครั้งแรก เป็นผู้มุ่มั่นตั้งใจพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคือสรุปแล้วก็คือเป็นรุ่นแรกคือเกรดเอไม่ใช่ว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่ว่าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ใช่ท่านสร้างบารมีมามากต่อมากไม่รู้กี่อสงไขย บางทีสองอสงไข่นั่นพระสาวกทั้งหลายสองอสงไข่กาไรแสนมหากรัปพระพุทธญาติสี่อสงไข่พระสาวกสองอสงไขอ่อสงไขห่หนึ่งเป็นไงนับไม่ทวนจะนับใส่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉยเป็นร้อยเป็นฝันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านจนนับไม่ทวนแปลว่าอสงไข่หนึ่งมากขนาดนั่นแหละ แต่ใ น, นเมื่อท่านสั่งสมปริมีมาแล้วเนี่ยท่านก็รู้เออท่านก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชาติถุดท้ายของท่านท่านไปสู่สวรรค์พอลงมาจากสวรรค์ต้ก็มาเกิดปวานนี้พนระพุทธเจ้าโคโคตมะจะมาตรัสในโลกแล้วในยุคอปีพศเท่านั้นเท่านี้ชาตินี้เป็นชาติถุดท้ายของเราแล้วเราจะต้องมาเกิด ท่านก็ไปสูสวรรคพราะสวรรค์ก็พอพระพุทธเจ้ากุบัติขึ้นนลยท่านก็ลงมาเกิดเลยเตรียมรอไว้เลยเ ล, ยลย่ะท่านพอเตรียมรอพระพุทธเจ้าอย่างพระสีอานพระสีอริยะเมตไตรก็ลักษณะนั้นเหมือนกันเอาขึ้นไปชูสวรรค์เสร็จแล้วอพอพระสีอริยะเมตไตรลงมาตัดเออลงมาเกิดน เ, เทวดาทั้งหลายก็ลงมาลงมาเกิด เ, เหมือกัน ดวงดาวมาล้อมดงมาล้อมเดือนลักษณะอย่างนั้นพอเดือนลงมาลงมาเกิดแล้วนี่แหละพระจันทร์นี่แหล ะ, จ, นนละจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุทลธสัมะสำโภธิญาตแต่ดาวต่างๆก็กระจายล้อมรอบแล้วจากนั้นพอดวงดาวนะท่านก็ออกบวชพอออกบวชได้ตัดรู้เป็นพระอนุตลธรร ม, มาสัมโพธิญาต จากนั้นก็ไปแสดงธรรมพอไปแสดงธรรมรัชฐานที่ใดดวงดาวเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่แล้วเป็นผู้ได้บาเพ็ญอย่างพวกเราบํนนาเพ็ญขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละสังสมบัลมีอยู่เดี๋ยวนี้ไม่แ ม, มันไม่เสียหายไปตรงไหนนะเหมือนกับเราบําเพ็ญเรานั่งภาวนาเดินโยกรมเหมือนกับน้ําฝนหยดลงในตุ่มในตุ่มในโอนะ่งที่ได้หยดระยัดร ะ, ย, ดระยัดระยัดระยัด มันก็พร้อมที่จะเต็มองค์ได้เมื่อเรามาเกิดในชาติจุดท้ายนะใครเขาว่าปิ่มเต็มทนแล้วที่เราได้สังสมวารมีพร้อมที่จะตัดกิเลสรู้แจ้งเข็นจริงในบรรลุธรรมแล้วนี่แหละพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอย่างพระโคตมะก็ดตพระศีริยะเมตไตรก็ดีพอท่านได้ตัดรูดนะ้ท่านน้นท่านก็ประกาศ ประกาศทำพอประกาศฟังทำเราได้ยินได้ฟังเพราะเราบําเพ็ญมาแล้วอย่างชาตินี้แหละล้มลุกคุกคานมาพอแรงพอได้ฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่นั้เลยเออไม่กี่คําไม่นานเราก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าบวชบวช ด, ด้วยเอหิปิคุเออเหิปิกสุเอหิปิคุอุปสัมปทา ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเพียงแค่เน้นองค์นั้นก็ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาบริคารก็ล่องรอยมาสวมเข้าไปเกสาผมขนหลุด้อยลงไปเหมือนกับพระที่บวชมาตั้งร้อยปีร้อยพันาีเลยไอ้ข้าเตรียมพร้อมพระท่านใจของท่านเป็นพระหานแล้ว กายวาจาของท่านก็อยู่ในกรอบเพราะอะไลเพราะท่านสําเร็จเป็นพระอรหันตแล้วนีน่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเกรดเอรุ่นเกรดเคือรุ่นแรกนะพอประเทศธนาว่าการที่ไหนก็ได้สําเร็จเา้าสําเร็จเอาเลยนะเพราะอะไรเพราะเดือนดาวพวกดาวทั้งหลายลง ก, กระจายไปในพื้นที่ล้อมรอบพระพุธทธเจ้าเป็นบริวารของพระพุทธะ จากนั้นก็พอหมดรุ่นแรกแล้วสิรุ่นที่สองต่อมาเริ่มสอนยากแล้วนะทีนี้นะเริ่มจะออกนอกรุ่นนอกทางไปบังแล้วเลยพอรุ่นที่สามที่สี่ที่ห้ามาถึงรุ่นที่ร้อยที่พันที่หมื่นที่แสนอย่างพวกเราเนี่ยอยยิ่งพูดกันยากทีนี้พูดอะไรกันทับ เรื่องจะให้เข้าใจกับมันไ ม, ไม่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากเข้าใจนะเถียงอยู่ในใจเพราะไม่อยากเข้าใจฟาเืินนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคา ส, สอนของพุท ธ, ธะเพราะนั้นพอต้นแรกท่านก็ไม่ได้บัญญัติวินัยไว้เลเพราะฟังแล้วท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จบในเมื่อใจของท่านบริสุทธิ์แล้วกายวาจาของท่านจะทําความเสียหายได้อย่างไร เพราะไร่เพราะใจของท่านบริสุทธิ์แล้วเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วกายวาจาของท่านก่อนเป็นศีลเป็นธรรมทั้งหมดคือใจขายของร่างกายพระรหันวาจาของพระรหันพูดออกมาก็เป็นศีลเป็นธรรมทั้งหมดที่จะทำความชั่วชั่วเสียหายไม่มีเพราะไรเพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมในจิตใจนี่แหละ พอต่อมาเมื่อพระสงฆ์บวชเข้ามามากเจเนียร์กอนเนี่ยผู้ใสใจก็มีผู้ไม่สนใจก็มีก็วเลกก็วลาดก็มีพอทําถี่พี่ไหนมันเกกะถองเกกะทําให้คนอื่นเดือดร้อน ท, ทําให้ศรัทธาญาติโยมไม่สบายใจพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมผู้มุ่งมั่นตั้งใจทําให้ลาขาดทําให้คนอื่นเดือดร้อน แต่พระพุทธเจ้ายังบัญญัติวินยัยอะไรสักหนึ่งภิกษุใดก็ตามกระทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นอบัติอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็บอกประกาศกันต่อมาอีกทำผิดอีกเรียกประชุมสองฆ์อีกภิกษุใดก็ตามทําผิดอบัติอย่างนี้เป็นอย่างนี้นีปรับอบัติแต่มีดีอยู่อย่าง เมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยแล้วพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นท่านจะเคารพ ก, กฎกติกาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้จะท่านจะไม่หลงละเมิดท่านจะไม่ทําในเมื่อมันผิดที่พระพุทธเจ้าตัดแล้วนะอันนี้คือหน้าบูชาน้ําใจในพระวินัยของพระพุทธเจ้าอนะแต่ไม่ทําจุดนั้นท่านก็ปีกแวกหน้าวไปอีกน้อยหนึ่งเฮ้ย่นั้ น, ก, น, ก, น, นนะก็บัญญัติวินยัยอีก พระวินัยของพระพุทธเจ้าดูในอภิสมาจาร์หยุมหยิมมากเลยเอยยุมหยิมคือเป็นอาบัติ ส, สินหลักและก็สินย่อยอคือเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเทววิเป็นกฎหมายหลักกฎหมายลูกลักษณะอย่างนั้น ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นจึงมากเพราะมากแค่นี้จะว่าเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมันการใดหลวงพ่อมนใครใครที่ว่านับพินาย น, นับศีลวิธนัยของพระพุทธเจ้าไม่มีใครพูดเลยเลยว่าศีล อ, อภิสมาจารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเท่านั้นหมืน่น เป็นตอนนั้นร้อยตอนนี้ผัดไม่มีใครนับได้เพราะมันเยอะนะพอมันทาผิดกบับรัยายพินัยผมมันผิดกบับญัติวินัยอคือสรุปแล้วคือกิริยามัรญ า, าตนะให้ดูให้อยู่ในสมณะสารุให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัย่อย่างที่หลวงพอ่อยางพวกเราท่านทั้งหลายจะได้อ่านเสียขียวัตร ่การอยู่การฉันว่าจะไม่ฉันจับจับเป็นฉันดังสู้สุดจะไม่ฉันเลียมืออย่างนั้นอันนี้ล้วนแล้วแต่วินัยทําให้พระสงฆ์อยู่ด้วยกันมีกิริยามารยาทที่ดีนี่แหละแต่เมื่อพระเจ้าบัญญัติวินัยแล้วเมื่อพระเจ้าจะปรินิพานพระองค์ก็วิตกกังวลส่วนอีกเหมือนกันมันจะหยุมหยิมมากเกินไปหรือเปล่าท่านจึงสั่งพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอา น, นุ์ เมื่อเราสถาคดผ่านไปแล้วเสียขาบทเล็กน้อยเสียขาบทหยุมมยิมถ้าพวกเธอเห็นว่าพวกเธอจะถอดถอนหรือเอาออกกระสุดแท้แต่พวกเธอท่านท่านหลายจะไปชุมกันนะตกลงกันนะอันนี้คือพระพุทธองค์สั่งสั่งคล้ายๆว่าเป็นการสั่งเสีย ลักษณะพี่ไหนกรรมหรือสังเสียพ่อแม่ที่จะจากไปแล้วก็ไม่มีวันกลับมาแล้วก็สั่งเสียลูกให้ปฏิบัติตนอย่างไรลักษณะอย่างนี้แหะแต่พระอานนท์ได้ยินเพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วไม่ได้ถามว่าเสก ข, ข้าบทเล็กน้อยเสก ข, ข้าบดยุ้มยิ่งอยู่ในกลุ่มไหนหนอพระเจ้าค่าที่จะให้ข้าพระองค์ถอดถอนในอนาคตนั่ น, นพระอานนท์ไม่ได้ถามจุดนี้ พระ อ, อนุณมีความเศร้าโศกสลดใจที่พระ อ, องค์จะปรินิพานในในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ในเมื่อพระ อ, องค์ปริทิ์านแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีมีพระลุกศิษพระมหากัรปัตที่หลวงพ่อได้พูดมาที่ท่านมากัที่เมืองปาวามาจากเมืองปาวาเข้ามา เพื่อจะเคารพคารวะถวายพระเพลงพระพุทธเจ้าที่เมืองกุชินาราที่อุทยานมีพระแก่องค์หนึ่งที่มาในฝูงในหมู่ในคณะพระเล็กพระน้อยที่เป็นรักเคารพในพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโสดาบันยังเป็นพระพุทธชนอยู่ต่างก็น้ำได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าประสิทธิพานต่างก็ร้องโหม่มร้องไอ้น้ำตาลหลั่งไหล โอเราก็ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรพพหันต์พระพุทธเจ้าพระริปทานไปเสียก่อนแล้วจะเป็นยังไงหนอข้าพเจ้าจะได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่ละครั้งพระพุทธองค์เทศนาว่าการขึ้นม า, าพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งฟังก็ได้สําเร็จพระโสดาบันพระสกทาพระอนาคาพระหรหันต์แต่บัดนี้ใครหนอจะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกเรานี่พระสงฆ์ได้พระสงฆ์เหล่านั้น พอได้ยินเออพอได้เห็นได้ยินพระพุทธเจ้าปรินิพานนะท่านก็เกิดความสลดใจแต่มีพระแก่องค์หนึ่งที่มาในหมู่คณะเป็นลูกศิษย์พระมาหากัส ป, ปะออท่านบอกว่าเ อ, อ้ยพวกเธอจะร้องไห้ทําไมเออผมว่าดีแล้วที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะถ้าว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะเดี๋ยวก็บัญญัติพในเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ ในเมื่อพระเทเจ้าพระริเนภานไปแล้วต่อไปนี้พวกเราจะทำอะไรได้สบายพวกเธอจะไปเสีย อ, อกเสียใจทำไมออมองกันคนละมุมนะเท่นี่ยเรืน่นานาจิตตังนานาทัศนะพูดขึ้นมาในในท่ามกลางศแตอนนี้คำความลับมันก็ไม่มีเท่ได้ยินถึงพระมหากัจจปะที่เป็นอาจารย์เอ อ, เ อ, อทำไมพระ แก่องค์น <Aus Donc S 2> <uns S 1> ี้ท um ําไมพูดอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าพูดอย่างนี้เอาองค์อื่นเอาเป็นแบบอย่างศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพระองค์นี้พูดอย่างนี้ผู้อื่นก็น่ะก็เอาเป็นตัวอย่างพระพุทธศาสนาทําพุทธเจ้าบรรดาว่าห้าพันปีไม่ถึงแน่เอเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงทําไมพระองค์นี้พูดอย่างนี้ได้ทําให้ไม่ให้พระ อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจะทํำยังไงไม่อยู่ไม่ให้พระอยู่ในศีลและวินยัยจะทํำยังไงพระองนิพูดได้อย่างไรพระมหากัสปะท่านได้ยินท่านก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันจากนานก่อนเมื่อถวายพระเพลิงพระพระุทธเจ้าในวันเดือนหนกเพลนนะครับนก็พระมหากัตปะที่เป็นประธานที่เป็นผู้ใหญ่ บอกว่าเรียกว่าน้องทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราจะมีการสังคายานาไหมนี่จัดให้เป็นหมวดหมู่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้จัดไปทำไม่ทำสังขายนานาะทำให้เป็นหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะกระจัดกระจายไม่รู้ใครจะยึดตรงไหนไม่รู้ใครจะทำอย่างไรควรจะทำให้เป็นหมวดหมู่เหมือนกับเนี่ยที่ทางรัฐบาลเขาจัด ให้กฎหมายเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญปลกครองประเทศชาติลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้ทางก็กรวมกันเพื่อให้เป็นกฎหมายปกครองสงเพราะว่าผมไม่สบายใจที่พระที่เป็นลูกศิษย์ของผมเน่ยคือท่านสุพนะัทธะสุพัทธะภิกษุกาวจ้วงจาบปลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต า, ตายไปแล้วก็ดีแล้ว ท่าว่ายังอยู่พระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่บัญญัติวินยัยจุกจิกยุ่มยีนเหลือเกินเพราะนั้นธรรมของพระเจ้าพระนิญภานตายไปแล้วพวกเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามสบายแล้วจะทำยังไงต่อไปภายภาคหน้าถ้า ม, มีพระภิกษุประเภทอย่างนี้พูดอย่างนี้เกิดขึ้นมามากๆพระพุทธศาสนาจะอยู่ถึง5000ปีหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ ท่านพระมาหาการตะปาวิต ก, กังวลจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็น้อมรับอพอน้อมรับก็เอาเราจะประชุมกันที่ไหนพระเทระพระทั้งหลายก็บอกว่าประชุมกันเพราะว่าเมืองใหญ่ก็คือกุงราชคือแล้วก็พระเจ้าอซาสตรูที่เป็นลูกศิษย์พระเทวทัตนเท่านกลับใจใหม่แล้ว เป็นผู้นับถือเชื่อถืออต่อพระพุทธเจ้าแล้วพรากลัวแผ่นดินสุบลูกพี่ในแผ่นดินสุบแล้วเป็นตัวอย่างแล้วเจ้าพระเจ้าอาชาติตันั้นกวาดผวาทเลยเจะได้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเจ้านั้นท่านพระเจ้าอาชาติูัจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง พระ อ, องค์มีสกยยามีัก ย, ากยาภาพมีกำลังพอที่จะดูแลพระสงฆ์ที่ทำสังคาญาณที่กรุงราชาคือเราจะออกกำหนดเมื่อไหร่เทนี้การกำหนดเราจะปล่อยพระอนุนไม่ได้เ ว, นว้เวนว่างเวน้นจากพระอานุนไม่ได้พระอานุนเป็นพระหูสูตติดตามพระพุทธเจ้าตลอด เป็นผู้รู้หมดทุกอย่างเหมือนกับเงาตามองค์ติดตามพระพุทธเจา้าพรงพบพบระพุทธองค์เทศที่ไหนกลับมาแล้วพระอ น, นุลก็มาเล่าให้พระอ น, นุลฟังถึงพระอ น, นุลไปด้วยพระอนลก็ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจา้าในเมื่อพระองค์ไปตามลำพังไปโปรดเขาแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าลงมาก็ต้องมาพูดให้พระอ น, นุลฟังว่ า, เ, าเราได้เทศอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ พระอนุ์ก็ได้จดจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะนั้นการทำสังขายนาจะเว้นพระอนุ์ไม่ได้แปลว่าไม่สมบูรณ์แต่นี้พระอนุ์พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอนุ์ว่าอีกจากนี้ไปอีกสามเดือนท่านอนุ์จะได้สำเร็จเป็นพระหันเพราะนั้นพระอนุ์เป็นพระปุถุชนเป็นพระโสดาบัน มีองค์เดียวแต่องค์นอกนั้นเป็นพระาราหันทั้งหมด499องค์มีลด้ชื่อทั้งต่อไปนี้ท่านก็จดลายชื่อไว้หมดยังเหลือแต่พระพระอนุนองค์เดียวที่เป็นพระสูดาบัิถ้าว่าเราไปชมในเร็ววันนี้ในเครื่องเมื่อเข้ามาประชมุมก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าในสมัยเมื่อพระองค์พ ร, พระพุทธเจ้าปริเนพานไป แได้ท่านั้นหวันเจ็ดวันสิบวันกว่ากันไปมีพระสงฆ์เข้ามาร่วมประชุมเป็นพระรหันทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปยังเหลือแต่พระอานุ์องค์เดียวที่ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระรหัน์มันจะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อไปภายภาคหนาเพราะฉนั้นให้ท่านอานุนสาเร็จเป็นพระรหันซะก่อนเอานับข้อมือดูสิลักษณะอย่างนั้นแหละพระสงฆนับนับนั บ, นบเออเป็นวันที่เท่านั้นจากนี้ไป สามเดือนพอดีเือเอาะวันนั้นแหะเป็นวันประชุมกันที่กรุงราชจะคือที่ถ้าสัตตบรรณคนูหากรุงราชจะคือเป็นเมืองของพระเจ้าอัสสศัตตุรูจากนั้นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เดินทางพระอา น, นุ์ก็ได้อัดทบริขารของพระพุทธเจ้าเอ ออกไปเมืองกรุงสาวัตถีเพราะว่ากรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าจาบรรษาติดต่อกันถึงยี่สิบกว่าปียี่สิบ้าปีในบรรษาของพระองค์สี่สิบห้าปีที่องค์ประกาศศาสนาน่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นพระ อ, องค์พระอานน์ก็ได้บริขารพระองค์ออกจากกรุงเพราะว่าเมือง กุชินาลานีเพิ่งไปวันนั้นกับปรินิพานเน่ย เ, เมื่อจบพระราชทานเมื่อถวายพระเพลิงจบแล้วก็แยกย้ายกั น, นไปต่างคนก็ต่างได้ประทาตของพระพุทธเจ้าไปปฏิจฐานตามหัวเมืองต่างๆเพื่อสร้างสถูปและเจดีย์เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาแต่ส่วนพระอานุ์ได้ถือบริขารกับบริวารของพระอานุ์เอง เพราะบริวารของพระอานุกมัยเฉยน้อยเป็นบริวารถึงห้าร้อยเหมือนกันเดินไปนะัดสถานที่ได้ผ่านไปเมืองหัวเมืองไหนคนทั้งหลายก็ต้อนรับโอ้ตะก่อนเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอานนุ์เห็นพระอานุ์ก็เห็นพระพุทธเจ้าแต่บัด น, นี้เห็นแต่บริขารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพรได้ผ่านแล้วเห็นแต่ท่านอา น, นุนไปผ่านไปหัวเมืองไหนที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม โปรดใครข้าวประสบในกรสศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเห็นบริขารต่างคนก็ต่างร้องหงมร้องไห้ละงมไปทุกหัวละแห่งจนไปถึงกุงสาววัตถีจากนั้นพระนลก็เร่งความภาคเพียรจะได้ให้สำเร็จเป็นพระาราหันนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาที่สัง้ายานาเกียกับวินัย น, นะพระลูกพระหลานทั้งหลายแต่หลวงพ่อจะรวบลัด ตัดตอนเป็นบางเรื่องที่ให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังจากนั้นพระน์วันนั้นครบวันสามเดือนพอดีพระน์ก็แลงความเพียรอย่างขนานหนักคิดว่าจะได้สำเร็จในคืนนั้นแหละแต่ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้สำเร็ จ, พ, นนรจพอถึงจวนสว่างอย่างเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยพระอาทิตย์กำลัง ขึ้นแสงเงินแสงทองนะผานพานนไม่ได้นอนทั้งคืนนะเพื่อจะได้เร่งความเพียรจะได้สําเร็จเป็นพระหรหัสพอจะมีการประชุมในวันนี้ล่ะวันล่วขึ้นเนะี่ยท่านก็ภาวนาไม่ได้สําเร็จไม่สนองอ่อนอกอ่อนใจโอ้เราจําเราคงจะจําวันผิดจะแล้ว เ, เราคงจะจําวันผิดหรือพระพุทธเจ้าตรัสผิด ไม่นะพระพุทธเจ้าตัดคำไหนต้องคำนั้นแต่เราอาจจะนับวันผิดเราจึงไม่ได้สำเร็จแต่เนี่ยมันก็สว่างนะั่นะจนจะสว่างเอาเถอะนั่งทั้งคืนละเหนื่อยละเราจะเอ็งกายสักหน่อยแล้วจะลุกไปบิณฑบาตมาชั้นเพราะจากนั้นพระ อ, อนนลกำลังจะเองกายหัวยังไม่ถึงหมอนขายกขึ้นข้างบน ในอากับกิริยาที่ว่าครึงครึ่ ง, งลุกครึ่งตื่นครึ่งนอนครึ่งนอนครึงขึงนั่งแต่วางนั่งก็ว่าเจ้านอนด้วยพอยกขาท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันในขณะนั้นพระอ น, นุนี่แหละเขาจึงถามปัญหาในนักธรรมตรีว่าพระสาวกองค์ใดที่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันในท่านั่งก็ไม่ใช่ท่ายืนท่าเดินก็ไม่ใช่ จะตอบครต่อโดยนะีคือพระอนุทีะได้สำเร็จเป็นพระรหันต์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ท่านเราจบแล้วจบพรมวจันทร์แล้วไม่มีอะไรอีกแล้วเป็นอาเสขาแล้วผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วนะจากนั้นท่านก็ไปบินทบาทมาฉันนะพอมาฉันเสร็จแล้วนะท่านก็ พระสงฆ์ทั้งหลายก็เข้าที่ประชุมอ่างอย่างพวกเรานั่งประชุมกันอย่างนี้เะก็เว้นช่องให้พระอานนที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่นั่งอยู่แถวหน้าเป็นพระผู้เมียอยู่พัรษามากนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระมหากัจจปะเป็นผู้ชักถามพระอานุ์เป็นผู้วิปวิสัสนาใครเขาวระวินัยวินัยคือพระอุบาลีพระอุบาลี เป็นในช่างการบกที่กรุงกบิลพัทออกมาบวชเป็นภูมิแม่นในวินัยกฎระเบียบไอ้ขาเป็นภู้แม่นทางกฎหมายของพระสงฆ์ลักษณะอย่างนั้นนะก็นั่งอยู่ข้างหนึ่งพระ อ, อนุ์เป็นพ่อขุนสูตรจะอธิบายเรื่องธรรมและวินยัยทัพพระสูตรและพ ร, ระสูตรและพระอภิธรรมสมัยก่อ น, นยังไม่มีพระไตรปิฎกในตัวธรรมวินัยอยังไม่ใช่ พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมไตรไตรแปลว่าสามแต่ตะกาตะกาสามใบโลดไตรแปลว่าสับแต่ข้างแรกไปชุ่มข้างแรกมีสองธรรมและวินัยก็คือธรรมก็คือเนี้ยแหละเรื่องการปฏิบัติธรรมรวมการเป็นมาเรื่องพระสูตรพระสูตรพระวินัยพระวินัยคือกฎระเบียบ พระสูตรก็คือเรื่องราวพระธรรมก็คือแนวผมคิดจากนั้นพระอนุน์ก็เขาปูอาสนะให้ต่อนาพระสงมาพร้อมกันทั้ง499องค์ที่ถ้ำสัตบุรณคกู่หากุงราชคือจากนั้นพระอนุน์ถ้าจะเดินมาก็ได้แต่พระสงฆบางองค์ที่ท่านไม่มียานรัตนะเป็นพระหัน แต่ว่าท่านไม่มีฌานที่เก่งกาจแล้วว่ารอบรู้นะก็มีในพระรหันต์หมดกิเลสแล้วนะอาจจะสงสัยไอ้ท่านอานนท์จะสำเร็จเป็นพระรหันต์หรือเปล่านะ เ, นเดินมาเนี่ยพระนอานนท์ก็ไม่ไปในขณะที่พระสงยังไม่พร้อมนะพอพระสงพร้อมแน้วก็นั่งคอยพระนอานนท์พระนอานนท์ก็ แสดงอิทธิฤทธิ์แล้วอิทธิฤทธิ์พลดขึ้นมาตรงที่อาชนะนั่งตรงอาชนะตรงที่เขาจัดให้พระองค์พานนขึ้นมานั่งโดยพุดขึ้นมาเลยพระสงฆ์ทั้งหลายก็หายสงสัยว่านี่พระอ น, นุนเป็นพระรหันต์ไม่มีความสงสัยฮจากนั้น พอพระมหา พ, พระสงฆ์พร้อมทั้งห้ารอองค์แล้วแต่ไหนพระมหากัจะปากกถามว่าดูก่อนหมู่เพื่อนสงฆ์ทั้งหลายเราจะสังขารนาอะไรก่อนแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นนะพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมได้สั่งอะไรไว้ไป ม, ไ ม, มาอางนุ์พราพระอ น, นุนเป็นผู้ติดตามไมพระอนุนบอกว่าสั่งเสียอยู่ขับผม ช่งเสียเรื่องอะไรก็พาโนนกันเล่ า, เ ล, าเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะ เ, เรื่องลงผมมาทันกับพระช น, นะแล้วก็เรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆอให้ถอดถอนได้ถ้าสงหลมปติพร้อมกันแล้วก็ให้เรียกกันอย่าไปเรียกอย่างที่เราจะโทษทาวโคตรอยู่ให้เรียกอาวุโสท่านผู้เจริญวท่านนะ อาวุโสพันเตให้เคารพตามตามกันขั้นตอนที่พระองค์สั่งเสียไว้หลายๆอย่างแต่ทีนี้พระมหาคตป่าก็ถามว่าท่านอนุนได้ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไหมว่าอาบัติเล็กน้อยน่ะที่พระองค์ให้ถอดถอนได้นี่นคืออะไรพระนุ น, น, ว น, ว น, วนในโชนั้นกับผมเอง พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะปริบัติผ่านจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันไหวไกวแข่งสรดสังเวชในจิตใจไม่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้ากับผมผมยอมรับในจุดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายปัญหาก็จะตําหนินี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญทําไมท่านอานุ์จึงไม่ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระอนุนก็ยอมรับว่าเป็นผู้ เป็นผู้ขาดความรอบคอบในที่จะที่จะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าต่นนี้ก็เมื่อพระนลไม่ได้ถามอย่างนั้นกับพระสงฆ์ตั้งหลายก็ไปชุมกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงในเมื่อพระองค์สั่งว่าให้ถอดถอนอาบัติที่หยุมมยิ่มอาบัติที่เล็กน้อยนะพวกเราจะถอนอยังไงเอาไปปรึกษากันสิ พระสงฆ์ตลายก็ออกไปปรึกษากันเป็นกลุ่มแต่หลวงพ่อก็าเลยบอกหลวงพ่อก็เดินไปพิจนาดูแล้วนะเป็นความเห็นของหลวงพ่อหลวงพ่อว่าพวกชาวตลาดก็มีพลทหารชาวตลาดก็มีชาวนาก็มีเป็นพวกพรามณ์ก็มีพวกนักกฎหมายก็มีเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีนะแต่เร่ความเห็นมันก็แตกต่างกันใน้เจ๊ตีไม่รู้จะ เป็นพระอรหนันต์จริงอยู่แต่ว่าการเกิดรัชการเป็นอยู่การคลองชีพเนะี่ยไม่เหมือนกันะแต่พวกกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องมีกฎมีระเบียบละเอียดถี่ถ้วนมีมารยาทที่ดีฮะพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์แต่พวกชาวไร่ชาวนาเนี่ยว่ายังไงก็ได้ฮขอสําคัญรักษากฎใหญ่เอาไว้ก็แล้วกันเรื่องกฎเล็กๆ ล, ล็กน้อยนอยไม่เอาต้องเอากอิ อย่างถ้าเป็นกษัตริย์การอยู่การฉันเนี่ยก็ต้องบอกเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสู้ๆเราจะไม่ฉันเลียมือนะที่เราที่จะอ่านเจเขียวัดให้ฟังนะเนี่ยแต่ชาวนานะ่ยก็จะไปกินจะไปทานกี่ปากกีบคออะไรเลยเล ย, ยัดให้มันเต็มเลยกินให้อิ่มก็พอแล้วเนี่ยเทนี้ของความคิดความอ่านมันก็แตกต่างกันไปเยอะ เพอาะอะไรเพราะความนึกคิดมันแปกแตกต่างกันเพราะการเป็นอยู่มันแตกกันต่างกันสถานะการเป็นอยู่ชาวไร่ชาวนามหากษัตริย์เศรษฐีพ่อค้าเน่ยมันคนละสถานะเนี่ยการเป็นอยู่มันก็มองไปคนละมุมอีกเหมือนกันแต่เด็กก็พอเข้ามาประชุมเหมือนอ้ามีมุลกมติกันว่าจะไงไอ้พวก ที่นั้นก็โอ้ยเสยกิยวัตรเอาออกทั้งหมดพวกหนึ่งเ็โอเอาออกปฏิเทจริยะปาเจตีเอาออกพ้นที่สุดก็ว่สิกขาบทนั้นสิกขาบทนี่เอาออกทั้งที่เป็นพระหรหันเมือนก่อนตามตามให้จริงน่าจะเป็นพระหรหันเจวัฒจะแตนดาดมาตรฐานแนวความคิดเดียวกันไม่ใช่นะพระเนรลลูกรานนะ เพราะคนละสถานะเนี่ยมันมันพูดกันไม่ไม่ออกเหมือนกันผลที่สตดก็เลยเอาไว้แต่สิกขาบทใหญ่ปาาชิกกับสังคาที่เศษลักษณะอย่างนั้นนะพาอมหากรป่ปได้ยินโอ้ไม่ได้ถ้าถอนสิกขาบทขึ้นมาเนี่ยต้องลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนแน่พวกหนึ่งว่าอภิสมาจาร์เอาออกให้หมดใช่เอาอกให้หมดก็จริงอภิสมาจาร์เสขขยวัดเอาอให้หมด อ, อีก โพธพิสุขก็เลยพระมหากรารสปาผู้เป็นประธานโอ้ไม่ได้พระมหากรารสปาก็เลยว่าอดูก่อนสงทั้งหลายน้องหนุ่งทั้งหลายพระเทระทั้งหลายทุกองค์ถ้าพวกเราพิจารณาอย่างนี้แปลว่ามันไม่เอกฉันมันไม่เอกฉันไม่เป็นแนวแถวเดียวกันถ้าเราถอดถอนขึ้นมาก็คงจะเป็นลุ่มลุ่มดอนดอน เมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติฟินัยขึ้นมาแล้วก็เพื่อปกครองพระสงฆ์ให้อยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขให้มีกฎกติกากฎระเบียบถ้าว่าพวกเราถอนก็ไม่รู้จะถอนยังไงเพราะไม่ได้ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงบัญญัติผมเห็นว่าในความเห็นของผมนะผมว่าคงไว้ตามเดิมคงไว้ทั้งหมดไม่ถอน ถ้าถอนขึ้นมาเราก็ไม่มั่นใจว่ามันมันจะถูกไหมมันมันจะเสียหายอะไรไหมถ้าคงไว้ตามเดิมผมว่าจะปลอดภัยกว่าคณะสงฆ์ว่ายังไงพระสงฆ์ทางหลายก็เห็นด้วยเอ้อสาธุเห็นด้วยที่ท่านกันจจปะพูดให้ถูกถูกแล้วท่านมหากัจจปะเถระพูดให้ถูกแล้วเห็นด้วยกัรนั้นก็ได้สงไว้ตามเดิมนั่นแหะ อันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้านะถ้าเราได้ศึกษาได้อ่าน จ, จะเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นก็ประชุมเรื่องอย่างอื่นต่อไปเลยนี้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อผู้ที่จดจำก็ดจดจำที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้อย่างไงตัดไว้อย่างไ ร, ไงไรนี่แหละคือพระวินัยถ้าใครทําผิดก็คือเพชจะถูกได้ยังไงเพราะมันเพชร เลยรักษากฎ ก, กติกานะเพราะนั้นหลวงพ่อได้พูดความเป็นมาของพิณในให้กับพระลูกพระหลานได้ยินได้ฝังได้ศึกษานะอตอนนี้ไปก็ให้ครูบาแชมมาอาา่านนิขอการดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปาจิตตี92สิบกขาบทมุสาวาทที่หนึ่งมีส0บสิกขาบท 1. พูดปดต้องปาจิตตี 2. ด่าภิกษุต้องปาจิตตี 3. ส่สอเสียดภิกษุต้องปาจติตตีสี 4. ภิกษุสอนธรรมแก่อนุสัมบัญทว่าพร้อมกันต้องปจาจิตจตี 5. พาภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับอนุปสัมบัญเกินสามคืนขึ้นไปต้องปาจิตตี 6. พภิกษุนอนในที่มุงที่บัง อันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องปาจิตตี 7. ภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปต้องปาจิตตี 8. ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตี 9. ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตี 10. ภิกษุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดี ซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตตีพูดคำวรที่สองมีสิบสิกขาบท 1. นึ่งพิสุพระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตี 2. องพิสุประพฤติอนาจารสงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดกบเปื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตตีส พิกษุติเตียนพิกษุอื่นที่สงสมมติให้เป็นผู้ทาการสงถ้าเธอทำโดยชอบติเตียนเปล่าๆต้องปาจิตตีสี่พิกษุเอาเตียงต่งฟูกเก้าอี้ของสงไปในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตีห้าภิษุเอาที่นอนของสงปูนอนในกุฎีสงแล้ว เมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตี 6. ภิกษุรู้อยู่ว่ากุฏินี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อื่นอยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเองต้องปาจิตตี 7. ภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นฉุดคร่าไล่ออกจากกุฏิสงต้องปาจิตตีแ ภิกษุนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนต่างก็ดีอันมีเท้าไม่ได้ตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุดีต้องปาจิตตี 9. ภิกษุจะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุดีพึงโบกได้แต่เพียงสามชั้นถ้าเบกิกเกินกว่านั้นต้องปาจิตตี 10. ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารสหญ้าหรือดินต้องปาจิตตี โวาทวัรคที่สมมีสิสิกขาบท 1. ภิกษุที่สงไม่ได้สมมุติสั่งสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตี 2. แม้ภิกษุที่สงสมมุติแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้วไปสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตี 3. ภิกษุเข้าไปสอนนางภิกษุณีถึงในที่อยู่ต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่นางภิกษุณีเจ็บ 4. ภิกษุติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาบต้องปาจิตตีหภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน 6. ภิกษุเย็บจีวรของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเย็บก็ดีต้องปาจิตตีเภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยว 8. ภิกิุชวนนางพิษุณีลงเรือลำเดียวกันขึ้นน้ำก็ดีล่องน้ำก็ดีต้องปาจิตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก 9. ภิกษุรู้อยู่ฉันของเคี้ยวของฉันที่นางพิษุณีบังคับให้กระลือหัดเขาถวายต้องปาจิตีเว้นไว้แต่กระลือหัดเขาเริ่มไวก่อน 10. ภิกษุนั่งก็ดีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางพิษุณีต้องปาจิตี โพชนะวักที่สมีสิบสิกขาบท 1. อาหารในโรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลภิกษุไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างต่อไปจึงฉันได้อีกถ้าฉันติดติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปต้องปะจิตตี 2. ถ้าทายกเขามานิมนต์ออกชื่อโพชนะทั้งห้าอย่างคือข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้ง ปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปฏิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเป็นไข้ยอย่างหนึ่งหน้าจีวรการอย่างหนึ่งเวลาทำจีวร อ, อย่างหนึ่งเดินทางไกลยอย่างหนึ่งไปทางเรืออย่างหนึ่งอยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พออย่างหนึ่งโภชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่งส ภิกษุรับนิมนต์แห่งหนึ่งด้วยโภชนะทั้งห้าอย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้าจีวรการและเวลาทําจีวร 4. ภิกษุเข้าไปบินธบดในบ้านถ้ายกเขาเอาขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับได้เป็นอย่างมากเพียงสาบาทเท่านั้น ถ้ารับให้เกินกว่านั้นต้องปาจิตตีของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้ภิกษุอื่นหภิกษุฉันค้างอยู่มีผู้เอาโภชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นเดนภิกษุไข่หรือไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องปาจิตตี 6. กภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุอื่นห้ามข้าแล้ว ตามสิกขาบทหลังคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนพิกษุขให้ไปล่อให้เธอฉันถ้าเธอฉันแล้วต้องปาจิตตี 7. จ็ดพิสุขฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตี 8. ปดพิสุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเคินไว้ค้างคืนต้องปาจิตตี9 ภิกษุขอโภชนะอันประณีตคือข้าวสุรกระคนด้วยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อขฤหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปาวรนาเอามาฉันต้องปาจิตตีสิบภิกษุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้รับประเคน ล, ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตตีเว้นไวแต่น้ำและไม้สีฟัน อาเจละกะักกวัตที่5มี1ิบจิกขาบท 1. ภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกาศาสนาด้วยมือตนต้องปาจิตตี 2. ภิกิุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบินทบาทด้วยกันหวังจะประพฤติอนาจารไ ล, ลไล่เธอกลับมาเสียต้องปาจิตตี 3. ภิกิุสำเร็จการนั่งแทกแซงในสกุลที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตตีี 4. ภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปฏิจตี 5. ภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปฏิจตี 6. ภิกษุรับนิ ม, มนต์ด้วยโภชนะทั้งห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิ ม, มนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องปฏิจตีเว้นไว้แต่สมัยคือจีวรการและเวลาทําจีวร เจ็ดถ้าเขาปวารณาด้วยปัจัยสี่เพียงสี่เดือนพึงขอเขาได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตีเว้นไว้แต่เขาปวารณาอีกหรือปวารณาเป็นนิด 8. ปที่สุปไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบกันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุเก้าถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสามวัน ถ้าอยู่ให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องปาจิตตี 10. ในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารค ก, กันก็ดีหรือดูเขาตรวจพลก็ดีดูเขาจัดกระบวนทับก็ดีดูหมู่เสนาที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดีต้องปาจิตตีสุราปานวัคที่หมีสิบสิกขาบท 1- นิ่งพิสูน้าเมาต้องปาจิตตี 2. พิสูจจี้พิกษุต้องปาจิตตีสามพิกษุน์ไหว้น้ำเล่นต้องปาจิตตีสี 4. ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตีห้าพิกษุหลอนภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตีหกพิกษุไม่เป็นไข้ติดไฟให้เปลวเป็นเปลวเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปาจิตตีติดเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัตเจ พิสูตอยู่ในมัชชิมะประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดีย15้าวันจึงอาบน้ำได้โหนหนึ่งถ้ายังไม่ถึง15้าวันอาบน้ำต้องปาจิตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในปัจจันตระประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัตแปดิกษุได้จีวรใหม่มาต้องพินทุด้วยสีสามอย่างคือเขียวครามโครนดำครับอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จึงนุ่งห่มได้ถ้าไม่ทําพินทุก่อนแล้วนุ่งห่มต้องปาจิตตีเก้าพิษุวิกรจีวรแก่พิกษุหรือสา ม, มเณรแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวร น, นั้นต้องปาจิตตีสิบพิษุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคดเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพิษุอื่นด้วยคิดจะล้อเล่นต้องปาจิตตีสัปปานวัคที่7 มีสิบสิกขาบทหนึ่งพิสุแกล้งฆ่าสัตว์เดียร์ฉานต้องปา จ, จิตตีสองพิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปา จ, จิตตีสามพิสุรู้อยู่ว่าอาธิกรณี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปา จ, จิตตีสี่พิสุรู้อยู่แกล้งปกปิดอาบัต ช, ชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องปา จ, จิตตีห้าพิสุรู้อยู่ เป็นอุปชายาอุปสมบทกุลบุตรผู้มีอายุหย่อนกว่า20ปีต้องปาจิตตีหกพิสุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้ซ่อนภาษีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีเจ็ดพิสุชวนผู้หญิงเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีแปดพิุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดประกาศข้อความนั้นจบ ต้องปาจิตตี 9. กิกษุคบพิสุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตี1ิ 10. ภิกษุเกลียกล่อมสามเณรที่พิกษุอื่นให้ชิบหายแล้วเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านทำมเทเสนาของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้อุปถากก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตตีสหธรรมิกวัคที่8 มี12สิกขาบท 1. ภิกษพิุประพฤติอนาจารภิกษุอื่นตักเตือนพูดพัดเพียนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจักไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต้องปจิตีธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรไต่ถามไล่เลียงท่านผู้รู้ 2. ภิกษุอื่นท่องปาิโมกข์อยู่ภิษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะ ต้องปฏิ จ, จตี 3. าพิกษุต้องอาบัดแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาติโมกถ้าพิสูจอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันเขา้าเขาว่าเพิ่งสวดประกาศความข้อนั้นเมื่อสงสวดประกาศแล้วแกล้งทําไม่รู้อีกต้องปฏิ จ, จตีสี 4. พิสูจโกรธให้ประหารแก่พิสูจอื่นต้องปฏิ จ, จตี 5. พิสูจโกรธเงื้อมือดุดให้ประหารแก่พิสูจอื่นต้องปาจิตตีหกพิกษุโจทฟ้องพิสษุอื่นด้วยอาบัตสังฆาทิเศตไม่มีมูลต้องปาจิตตีเจ็ดพิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่พิสูจอื่นต้องปาจิตตีแปดเมื่อพิกษุวิวาทกันอยู่พิกษุไปแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกเขาหรือพวกของตนต้องปาจิตตี เก้าพิสุให้ฉันทะคือความยอมให้ทําสังฆกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกับติเตียนสงผู้ทํากรรมนั้นต้องปาจิตตี 10. เมื่อสง์กําลังประชุมตัดสินข้อความข้อหนึ่งพิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อนั้นยังไม่เสร็จไม่ให้ฉันทะก่อนลุกไปเสียต้องปาจิตตี 11. บเอ็พิสุพร้อมกับสงให้จีวรเป็นบําเหน็จแก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งแล้ว ภายหลังกับติเตียนพิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องปาจิตี1ิภิกษุรู้อยู่น้อมลาบที่ทายกเขาตั้งใจจะถวายสงมาเพื่อบุคคลต้องปาจิตตีรัตนวักที่เกมีสิบสิกขาบทหนึ่งิกษุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับอยู่กับพระมเหสีต้องปาจิตตี 2. พิสษุเห็นเครื่องบริโภคของข้อเรื่งหัดตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดหรือในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กฎ 3. ภพิสษุไม่บอกลาพิสูุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้องปาจิตีเว้นไว้แต่การด่วน 4. พิกษุน์ทำกล่องเข็มด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีด้วยเขาก็ดีต้องปะ จ, จิทีต้องต่อยกล่องนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกหภิกษุน์ทำเตียงหรือต่างพึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วพระสุคตเว้นไว้แต่แม่คแคร่ถ้าทำเกินกว่ากำหนดต้องปะ จ, จิทีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัติตก6ภิกษุน์ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นต้องปะ จ, จิที ต้องรื้อเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก 7. จ็ดพิสุทําผ้าปูนั่งพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคืบพระสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งถ้าทําเกินกว่ากําหนดนี้ต้องปาจิตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก 8. ภิกษุทําผ้าปิดแผลพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คืบพระสุคตกว้างสองคืบถ้าทําเกินกว่ากําหนดนี้ ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียกรอนจึงแสดงอาบัตตก 9. ภิกษุทําผ้าอาบน้ําฝนพึงทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหคืบพระสุคต์กว้างสองคืบครึง่งถ้าทําให้เกินกว่าถ้าทําให้เกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียกรอนจึงแสดงอาบัติตก 10. บพิษุทําจีวรให้เท่าจีวรพระสุคต์ก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีต้องปาจิตตี ประมาณจีวรพระสุคตนั้นยาวหกคืบพระสุคตกว้างหกคืบต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกปาฏิเทศนียสีหนึ่งภิกษุรับของเคี้ยวของฉันแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาฏิเทศนียะสองภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์ ถ้ามีนางพิสุณีมาสั่งทายกให้เอาของสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายเธอพึงไล่นางพิษุณีนั้นให้ถอยไปเสียถ้าไม่ไล่ต้องปาติเทศนิยะ 3. ภิพิสุไม่เป็นไข่เขาไม่ได้นิมนรับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะมาบริโภคต้องปาติเทศนิยะ 4. ภิพิสุอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยว ไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความให้ทราบก่อนด้วยมือของตนมาบริโภคต้องปาติเทศนียะขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับเสขี่ยวัดวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขี่ยวัดเสขี่ยวัดนั้นจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุต หมวดที่สเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดที่สเรียกว่าปกินกะสารูปที่หนึ่งมี26 1.2. หนึ่งสองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักนุ่งห่มให้เรียบร้อยส4สภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านห6หภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักระวังมือเท้าด้วยดีไปนั่งในบ้านเจ็ดแปดภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านเก้าสิบภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เวิร์กผ้าไปนั่งในบ้านสิบเอ็ดภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่หัวเราะไป นั่งในบ้านส3 14าสสภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้านสิบห้าิหกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โครงกายไปนั่งในบ้าน17 18็ดสิปภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่ไกวแขนไปนั่งในบ้าน 19 20ภิกษุสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่สันศรีรษะไปนั่งในบ้าน21 2สภอิกสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือค้ํากายไปนั่งในบ้านยี่สภาิกสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะไปนั่งในบ้านยี่สบห้า ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินกระโยงเท้าไปในบ้าน 26. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งรัดเข่าในบ้านโภชนะปฏิสังยุตที่สองมี30 1. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อรับบิณฑบาตเราจักเเดูแต่ในบาท 3ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับแกงพอสมควรแก่เข้าสุก4ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรับบิธทบาทแต่พอเสมอขอบปากบาท5ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักฉันบิธทบาทโดยเคารพ6ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อฉันบิธทบาทเราจักแลดูแต่ในบาท 7. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ขุดเข้าสุกให้แหว่ง 8. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 9. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ขยุมข้าวสุกแต่ยอดลงไป 10. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่กลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าสุกเพราะอยากจะได้มากอ ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เจ็บไข้จกไม่ขอแกงหรือเข้าสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน 12. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่ดูบาดของผู้ผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษ 13. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจากไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นัก 14. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักทําคําข้าวให้กลมกล่อมสิบห้าพุทธสพึงทําความศึกษาว่าเมื่อคําข้าวยังไม่ถึงปากเราจักไม่อ้าปากไว้ท่า 16. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปาก 17. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูด 18. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปาก19ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันกัดคำข้าว20พิสูจน์พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ต <right> ุ๋ย21พิสูจน์พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง22ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆ 23. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันแลบลิ้น24ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังจับจับยี่ิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังสู้สู้ยี่สิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมอือ 27. ภิกษพุสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันขอดบาดยี่สิกษพุสุพึงทำความศึกษาว่าเราจ <sh> <agree devo S 1> ักไม่ฉันเลียรินฝีปาก2ีภิกษพุสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำสามสิบพุทสุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่เอาน้ําล้างบาดมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้านธรรมะเทศนาปฏิสังขุที่ส ม, มี16 1. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขมีร่มในมือ 2. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขมีไม้พลองในมือ 3. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่มีศัตราในมือ 4. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่มีอาวุธในมือ 5. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่สวมเขียงเท้า 6. ภิกษุพ de. mm. ึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้สวมรองเท้าเจภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ไปในยานแปภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้อยู่บนที <S <S <S ่นอนเาภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งรัดเข่า 10. ภิิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้พันศรีรษะสิบเอ็ดสุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้คลุมศีรษะ1ิภสกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ เราน <nach> <13. S 2> ั่งอยู่บนแผ่นดินจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นั่งบนอาสนะ13ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นั่งบนอาสนะสูง14ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรายืนอยู่จากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่ผู้นั่งอยู่ส5บห้า ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลังจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้า 16. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ไปในทางปกกิณกาที่สมีส 1. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจระถ่ายปัสสวะ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไขลจากไม่ถ่ายอุจระถ่ายปัสสาวะบ้วนเขระลงในของเขียว 3. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไขลจักไม่ถ่ายอุจระถ่ายปัสสาวะบ้สสวนเขระลงในน้ำอธิกรณ์ที่ส 1. ความเถียงกันว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย เรียกวิวาทธิกรสองความโจทกันด้วยอาบัต้นั้นๆเรียกอนุทานุวาทธิกรสามอาบัตทั้งปวงเรียกอาปัตตาธิกรสี่กิจที่สง์จะพึงทำเรียกกิจจาธิกรอธิการณสมถามีเจ็ดทำเครื่องระงับอธิกรทั้งสนั้นเรียกอธิการณสมถะ มีเจ็ดอย่างคือหนึ่งความระงับอธิกรณ์ทั้งสี่นั้นในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกสั ม, มุขาวินยัย2ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ใครโจ์ด้วยอาบัตเรียกสติวินยัยสา ความที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจดด้วยอาบัตที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าเรียกอมูรหวินัย4ความปรับอาบัตตามปฏิญญาของจำเลยผู้รับเป็นฝัดเรียกปฏิญญาตการณนะ5ความตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณเรียก เจพุยสิกาหกความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัดสปาปิยสิกาเจ็ดความให้ประนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกตินวัฏฐารรกะวินันสิกขาบทนอกนี้ที่ยกขึ้นเป็นอาบัตทุลใจบ้างทุกกฎบ้างทุกภาสิทบ้า ง, า ง, างเป็นสิกขาบทไม่ได้มาในพระปฏิโมกจบวิัยบัญญัต นี่แหละเรียกวินยัยพระวินยัยที่สวดมาในพระปราติโมกข์ที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยที่สวดทุกกลึ่งเดือนนี่แหละเกี่ยวกับวินยัยบนนั้นหลวงพ่อเคยพูดให้กับพปกเราท่านทั้งหลายฟังเวลาหลวงปู่ล่าท่านพูดธรรมะให้ฟังหลวงพ่อเป็นเนนน้อย พอฟังก็ไปก็ลำคาญพูดแต่คำเก่าใช่ไเดินแสงหน้าไปท่านดึงกระตุกแขนยาเดินก่อนเดินตามหลังเราจะพูดอะไรให้ฟังท่านไม่ให้เดินก่อนถ้าเดินก่อนท่านเดินตามหลังเป็นอบัติทุกกฎใช่ไหมละ่ะพี่เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้เดินไปข้างหน้าใช่ไหมนี่แหละท่านต้องดึงกระตุกแขนให้เดินตามหลังท่าน นี่แหละคือวินยัยพวกเราให้ศึกษานะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ให้ให้อ่านให้ฟังด้วยกันนะเป็นกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องได้ฟังถ้าเราตั้งความสงสยัยไอ้สกขบวนนะั้นเป็นยังไงเราก็ต้องไปอ่านในวินัยมุกเล่มหนึ่งนสะอยู่ในอยู่ในห้องสมุดเรามีเราก็ต้องอ่านเขาท่านจะอธิบายให้ฟังเลยที่เราอ่านจบมันมีข้ออธิบายทั้งหมด ในวินัยมุกเล่มหนึ่งแต่วินัยมุกเล่มสองเป็นสินอภิสมัยจารย์ใช่ไหมเรืองอภิสมัยจารย์ที่หลวงพ่อพูดว่าให้อบัตยุ่มยิ้มนะอภิสมัยจาร์และวินัยมุกเล่มสามเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังฆกรรมเรื่องสวดพระปฏิโมกเรื่องสวดสิมมาเรื่องลงทันธ ก, กรรมเรื่องสวดประกาศให้พระภิกษุออกจากอาบัติสังฆาทิเศษ มีหลายอย่างเกี่ยวสังคกรรมเล่มสามนะ่ะเราจะอ่านก็ได้แต่เล่มหนึ่งกับเล่มสองนี่นะพวกเราควรจะเรียนรู้นะแต่เล่มสามนะี่คล้ายๆ ค, าย ค, าย ค, ายคําว่าเป็นผู้ที่มีอายุพรรษาแล้วที่จะให้ศึกษาเรียนรู้เล่มสามนะแต่เล่มหนึ่งกับเล่มสองเป็นความรู้ทั่ ว, วไปสําหรับพวกพระตรงได้ศึกษา ให้พวกเราพระเนรลูกหลานทุกวงนะแล้วก็พร้อมกันอันนี้คือกฎระเบียบคือวิยัยที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาได้เรียนรู้นะนำมาปฏิบัติถ้าจะว่าไปจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของเรา ม่ใช่กฎเกณฑ์นีเ้เหมือนกับกฎหมายกับใครค้าวาการอยู่ด้วยกันทำยังไงจึงไม่ให้เบียดเบียนกันอยู่ในกฎ ก, ฎกติกาแต่วิชาอาชีพของเราที่เราทำามันขยันหาเงินอพอหาเงินได้ขึ้นมาได้สางสุดเจริจเราก็ไปซื้อสิ่งของเข้ามาบริโภค อันนั้นเป็นสมบัติของเรานี้ก็ลักษณะนั้นะเรื่องพระวินัยเหตการที่เรารักษาวินัยอันนี้นก็คือกฎระเบียบเพื่อมาให้ของเพื่อมาให้กายวาจาของเราออกนอกรูนอกทางถ้าว่าเราออกกายของเราออกนอกรูนอกทากวาจาของเราไปด่าใครกายของเราไปทําผิดศีลผิดวินัย เวลาเรามานั่งภาวนามันจะสงบได้ยังไงเพราะมันไปทําสิ่งที่ไปทําความผิดมาใหม่ๆมดัดๆแล้วจะมานั่งภาวนามันจะสงบได้ไหมมันจะสงบไม่ได้เพราะมันผิดวินยัยไปยังไปตีหัวเข้าๆเนี่ยไปตีหัวเข่าๆแล้วเนี่ยเขาจะไล่นําจับเราอยู่จะจับไล่จับเราเข้าคุกอยู่เราจะมานั่งภาวนาดูสิคิดดูสิ เออมันจะวิตกกังวลขนาดไหนแต่เมื่อเราไม่ทำเยียเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายเรามีแต่ทำคุณงามความดีตลอดทํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเราเราไม่ผิดศีลเราจะมานั่งภาวนาใจของเราเข้าสู่สุวความสงบได้เนี่นี่แหละศีลและวินัยมันเป็นรั้วกัน้นที่มให้เราทำความเสียหายจากนั้นใจของเราก็ไม่กระเพื่อม ออกนอกรูกนอกทางเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเราก็เน่งสงบพอจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานของสมาธิแล้วเราก็นำมาพิจารณาทางวิปัสสนาคือเดินปัญญานําำมาพิจารณาแยกแยะร่างกายของเรานะี่ยเพราะมันที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกว่ามนุษยชาติของเราเนี่ยหลงร่างกาย หลงร่างกายของตนเองว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอาพอมันหลงร่างกายมันก็เกิดกิเลส ร, ราคะราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมีอะไรกันโลภอยากจะมาให้มาเป็นของตัวเองหมด เ, เห็นจะเข็นผู้ไหนสวยงามรักเขาหมดเท่นี่แล้วว่าจะเป็นของตนเองพอมันคิดว่าเอามาให้ใครเอามาให้ร่างกายตนเอง แต่ที่แท้ร่างกายตัวเองมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายเ อ, อตายสลายหลงสู่ดินน้ำลมฝอในขนาดร่างกายแท้แท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดสิ้งภายนอกว่าเอามาให้ตั ว, ต ว, ตวเองตัวร่างกายของเราเออมันได้ไหมร่างกายยังไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งเขาจะเผาไฟทิ้งอยู่นะแกนะตายนะเรอาอยังจะไปหลงร่างกายคนอื่นหลง ยศถามบรราสักราบยศชนเสริญสุขอย่างอื่นอยู่หรอใจจากนั้นเราก็มาพิจารณาถึงใจในเมื่อไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงส่วนอื่นไม่หลงโลกหลงทางนะทีหเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นมาก็ดูใจของตนเองที่เมื่อทําใจให้ไม่ใจไม่ให้กระเพื่อมใจไม่ให้หวนไหวใจให้มันเน่งรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลาย พอเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นใจที่ปล่อยวางนี่แหละเรื่องศีลเป็นรั้วกัน้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดศีลคือรักษากายวายจจให้เรียบร้อยไม่ใช่รักษาใจนะรักษากายคือร่างกายไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ ข, มขโมยทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในการไม่ให้โกหกไม่ให้ดื่มสุราของมือนเมา ศินห้านะแต่ในพระวินัยคืออย่างที่พวกเราได้อ่านเนี่ย น, นะสิกขาบทเราจะไม่ฉันดังจับจัเราจะไม่ฉันดังสู้สู้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลีย เ, เลียงพี่ปากที่อ่านเมื่อกี้เนี่ย น, นะทั้งสองท่านได้อ่านอันนี้ก็คือสินเสยจำรวมกายกับวาจาให้เรียบร้อยอจากนั้นเมื่อกายวาจาเรียบร้อยแล้วใจของเราก็ เ, าเข้าเข้าสู่ อ, อัดข้อทําได้ใจไม่ปุง๋งไม่ฟุง้งออกไ ป, ไปทางกายวาจาใจของเราก็เน่งสงบเมื่อจิตใจของเราเน่งสงบ เ, เป็นสมาธิดีแล้วนะเรานำมาพิจรารณาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนีะ่แหะความเดินตามแนวแถวเนี้ยสรุปแล้วก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของ พระพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัตินะต่อเนี้ไปเราได้อ่านตรวงพ่อก็ได้พูดแนวแถวให้ฟังยืดยาวาต่อนี้ไปนั่งสมาธินะคอยเลิกลากันนะ